กราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกอกราบครวะพระเทระพันเตเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรมายังไม่ชีอุบาสกุบาศิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะจะนั่งยกมือก็ได้นะแต่อขออย่างเดียวอย่านั่งหลับ นะอย่านั่งรับตะกี้นี้เราปลุกตัวเองด้วยบทสวดมนตะ์บทพระรัตนตรัยแล้วก็บทพิเศษนะวันนี้ก็หนาตาขึ้นเนะมอวานเงียบเหงาวันนี้คลึกครื้นขึ้นหน่อยนะก็มีกลุ่มประจำเดือนนะสำหรับการเจริญสติประจำเดือนตุลาคม แล้วก็มีหน่วยงานส่งมาแล้วก็เท่าที่ทราบก็มีเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเห็นว่ามากันหลายจังหวัดนะแล้วก็วันนี้นะเราก็ได้ต้อนรับภิกษุใหม่3รูปนะก็นอกนั้นก็เป็นญาติโยมเนาะที่อยู่ปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าสุขโต นะอยู่แล้วนะก็มาร่วมกันทำนะวัดแล้วนะก็ฟังธรรมนะสิ่งที่จะพูดนะที่จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้เนะี่ยก็อยากจะพูดกับคนใหม่ๆแล้วก็ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคนเก่าด้วยนะว่าการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ น, นะ แตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ไม่ว่าเมื่ อ, อไรก็ตามว่าครั้งหนึ่งน่ะให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะมาโดย ด้วยตัวเราเองด้วยความตั้งใจก็ดีหรือหน่วยงานเขากำหนดให้มาก็ดีนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาที่นี่แล้วทีนี้เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเราจะใช้เวลาที่อยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไรนะโดยเฉพาะประโยชน์ให้กับตัวเราเองแล้วก็ประโยชน์กับหน่วยงาน ดังนั้นในสามวันหวัน7วันหนึ่งเดือนหนึ่งปที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ให้เป็นเวลาที่เราจะทําให้เกิดประโยชน์ตรงกับสิ่งที่เราได้อธิษฐานเอาไว้นะครับบทอธิษฐานนี้ก็คือตั้งใจมั่นก่อนที่เราจะมาที่นี่เรียกว่าเราวางภารกิจวางการวางงานวางครอบครัว วางสังคมไว้ชั่วคราวหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยเนื่อ ย, อยล้าเคร่งเครียดกับการงานนะที่ได้ทำนะที่ได้ผ่านมานะก็ถือว่าเรามาพักผ่อนกันลกันนะมาวัดป่าสกุโตมาพักผ่อนกายพักผ่อนใจนะพักผ่อนกายที่มันเคยท ำ, ทำงานตรากตราพักผ่อนใจ นะที่มันใช้ความคิดนะครุ่นคิดในเรื่องการเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆมากมายนะก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยนะเมนื่อยล้าเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะซึ่งถ้าเราเหนื่อยกายเหนื่อยใจเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านนะมันก็มีทางออกหลายทางนะบางคนก็ ดูหนังฟังเพลงนะไปเที่ยวเตะสวนเสเฮฮานะมันก็ช่วยได้เป็นครั้งเป็นคราวช่วยได้เป็นบางขณะแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆนะเพราะว่ามันก็ยังต้องกลับมาเหมือนเดิมแต่บางทีเราเครียดนะเราก็ไปเที่ยวมันก็ผ่อนคลายได้บ้างเหมือนกันนะหรือว่าเครียด นะก็ของอร่อยอร่อยกินนะหรือไปฟังเพลงเพลอะๆนะอันนั้นก็เป็นวิธีการคลายเครียดเป็นวิธีการทําให้เราหายเหนืห่อยได้บ้างเป็นบางเวลานะแต่เรามาที่นี่เนี่ยนะเราจะมาเรียนรู้นะวิธีการที่จะคลายเครียดนะที่ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลง การทีเที่ยวเที่ยวยสวนเสเฮานะเราก็จะมาอาศัยการที่มาเรียนรู้เข้าไปในตัวเราความเหน็ดเหนื่อยความเครงเครียดความบ่ น, นายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี่แต่เราไม่เคยรู้กันเราไม่เคยได้สังเกตกันเราก็เลยไปวิ่งหาวัตถุข้างนอกบุคคลข้างนอกสภาพแวดล้อมข้างนอก ทำให้เราลืมลืมความทุกข์ในใจไปทําทให้เราเลืเล่นเะลือนไปทําให้เราเพลินเพลินไปนะซึ่งธรรมชาติเนี่ยมันก็พยายามที่จะปรับสมดุลมันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้มันเท่านั้นเองเราก็เลยคิดว่าเออไอเสียงเพลงเนี่ยเนาะวัตถุข้างนอกเนี่ยเนาะมันทําให้เราหายทุกข์มันทําให้เราหายเครียด จริงๆมันทำให้เราลือไปชั่วข่าวเท่านั้นเองและธรรมชาติมันก็ปรับตัวของมันเองถ้าเราได้สังเกตตรงนี้เราได้เรียนรู้ก็ไปนในจิตในใจของเราตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นการปรับตัวของใจได้ชัดเจนการปรับสมดุลของกายของใจได้ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องอาศัยนาสิ่งแวดล้อมของโกมากนัก แต่ไม่ไดไ้ไม่ได้อาศัยเลยนะอย่างเรามาอยู่ที่วัดป่าสกโตอเนี่ยก็อาศัยสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบใช่ไหมป่าที่เป็นธรรมชาตินะก็ทำให้ใจเราสงบได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเรามาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเราปรับกายใจของเราให้มันพอเหมาะพอดีความสุขมันก็จะเกิดขึ้นทันที โดยไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเลยนความสุขเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเลยเพียงแต่ว่าเรารู้จักมันหรือยังเรารู้จักวิธีปรับสมดุลหรือยังเรารู้จักการปรับกายปรับใจหรือยังโดยที่ไม่ต้องอาศายัสายสิ่งแวดล้อมข้างนอกมากนักอย่างนั้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยโทรทัทศน์ก็ไม่มีให้ดูพเพลงก็ไม่มีฟัง อ, อาจจะมีบ้างลอยมาตามลมช่วงนี้มันมีงานศพอะเนาะ ลอยมาตามลมแต่ไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ให้เราดูโอ้โหคนนี้ไม่คุ้นไม่เบื่อตายเลยจะอยู่ได้อย่างไงเนี่ยนะหรืออย่างพระบว่ใหม่เนี่ยจะอยู่ได้อย่างไงเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไม่เหงาเหรอตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้เรามองเห็นว่า <c oughs> สิ่งที่เราจะแก้ไขเนาะความเหน็ดเหนื่อยความเครียดความทุกข์ในจิตในใจเนี่ย มันมีวิธีการแก้ไขได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อนข้างนอกมากเกินไปอะไรล่ะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในในการที่จะปรับสมดุลในกายในใจของเราสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าใจ้าได้ค้นพบเมื่อประมาณ2 6 0 0ักร้ว่าปีที่แล้วนะเราเลือกมันว่าภาษาที่เป็นทางการหน่อยก็เรียกว่า ก, กรรมฐาน ฟังแล้วบางคนบอกองงน่ากลัวกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งเอาการกระทำเป็นที่ตั้งซึ่งก็นมีวิธีการเยอะแยะมากมายหลายวิธีในคำพีพูดไว้ถึง4ี่วิธีแต่โดยสรุปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะมีสองลักษณะใหญ่ๆนะลักษณะแรกก็คือให้จิตสงบ เรียกว่าทำสมาธเต็มที่เลยนะแล้วก็ค่อยถอนตัวจากความสงบมาดูนะซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยสติสมาธิพอสมควรซึ่งวิธีเนื้อธรมาเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงเคยผ่านเขาเรียกว่าการฝึกสมาธิการปฏิบัติธรรมจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ดีสัมมาระหังก็ดีพุทโธนะ อาณาปานาสตินะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้เรานั่งสงบนิ่งหลับตานะพยายามที่จะควบคุมไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไม่ได้เน้นให้สงบนิ่งโดยไม่ต้องหลับตาลืมตานะใช้การเคลื่อนไหวนะก็เรียกว่า การฝึกโดยใช้การเคลื่อนไหวามาเป็นอุปกรณ์ในการปลุกความรู้สึกตัวจะเป็นวิธีแรกก็ตามวิธีที่สองก็ตามมีจุดประสงค์ร่วมกันก็คือทาให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องมืองานที่จะปรับสมดุลกายใจปรับความเครียดความเหนื่อยความทุกข์ให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของเรา ให้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงกายใจตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้อาจจะมีการปรวดอาการเมื่อยนะก็รู้มันนะหรือยังไม่ปวดไม่เมื่อยขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าเร า, านั่งอยู่ตรงนี้ใจเราอยู่กับการนั่งใจเราไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านใจเราไม่ได้ไปอยู่ที่ทํางานใจเราไม่ได้ไปคิดถึงลูก คิดถึงภรรยาสามีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ใจมันอยู่ที่ศาลานี้หอไต ท, ที่นี่หูก็ฟังเสียงอยู่ได้ยินชัดเจนอยู่ใจอยู่กับกายนะอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าใจเราแวบออกไปเราไปดูตามความคิดอันนั้นมันไม่ใช่ความจริงแล้ะมันไปตามความคิดนะมันมันมันเผลอไปละ ใจไม่ได้อยู่กับกายแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทีนี้นั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยเออก็รู้มันรู้ว่ามันปวดมันเหนื่อยถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นไงมันก็คิดปรุงแต่งโอ้โหไม่ไหวแล้วมันจะไหวแล้วเนี่ยปวดเมื่อยขนาดนี้นะไม่ไหวไม่ไหวนะหงุดหงิดขึ้นมาเลยนะใจก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมานั่นะมันซ้อนขึ้นมาเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาไม่พอใจนะ หรือบางทีนั่งไปนั่งไปเออพัดลมมันเป่ามาเย็นสบายโอ้แมควา ม, มีความสุขนะเนี่ยกายมันไปส่งผลต่อใจด้วยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เรียนรู้ทั้งของจริงของไม่จริงนะวพสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้เราใช้ตาเนื้อดูเรียนรู้โลกข้างนอกเราใช้ตาในดูเข้าไปข้างใน ดูอะไรบ้างอันแรกดูที่กายกายขณะที่เรานั่งขณะที่เรายกขณะที่เราพลิกมือเนี่ยรู้ไหมรู้การเคลื่อนการไหวไหมรู้สึกไหมรู้แค่นั้นนะอย่าไปคิดรู้รู้ตรงตรงรู้ทีละขณะพลิกก็รู้เคลื่อนก็นรู้หยุดก็รู้รู้การเคลื่อนการหยุดอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นนี่คือรู้เฉพาะเฉพาะทีละขณะทีละขณะ เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นนะทีนี้เราดูตรงนี้ไปบ่อยๆเห็นการเคลื่อนการไหวเดี๋ยวบางทีก็เห็นตัวเรานั่งบ้างเดี๋ยวบางทีก็กระพริบตาก็รู้คลืนน้ำลายก็รู้เนี่ยมันจะไปเห็นละเอียดขึ้นทําไปทําไปลมหายใจพอหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันรู้เองโดยโดยอัตโนมัติเมื่อสติมันถูกฝึกถูกพัฒนาให้ฉับไว สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่ที่มันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่เพราะมันเฉยเราไม่ได้ทําให้มันไวขึ้นการที่เรามาฝึกคือให้มันไวให้มันมีประสิทธิภาพที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจรู้กายหยับหยาบทั้งตัวทั้งเมื่อยทั้งการเคลื่อนไหวการสัมผัสกับอากาศร้อนอากาศเย็นสิ่งต่างๆเราเนี้ยหรือแม้แต่ ยุ่งมันกัดแล้วก็รู้ว่ามันเจ็บเจ็บก็รู้อย่าเพิ่งไปตบมันนะรับศินแปดไปแล้วนะใครตบนี่เดี๋ยวต้องมาต่อสินใหม่นะยุงยุงมันกัดแล้วตบไปแล้วโอ๊ยลืมตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นยุงมันกัดนี่นะยุงเนี่ยมันเป็นอาจารย์เรานะมันมาสอนเรานะเนี่ยเจ็บไหมคันไหมใจเราเป็นยังไงมันกินเลือดเรานิดเดียวอ่ะโหประหารมันเลยหรอ ให้มันเหอะให้มันกินไปเยอะหรือไม่อยากให้มันกินก็ปัดมันออกไปเท่านั้นเองไม่ต้งตบโอ้โหตบเลยนะเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เรามาเรียนรู้นะที่จะฝึกสติหรือความรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยจะทําให้เราเห็นกายที่มีการเคลื่อนการไหวกายที่มีการปวดอาการเมื่อยนะกายที่มัน เย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นที่เราเห็นได้ชัดชัดนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ที่กายเมื่อเราทำไ ป, ไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาน่มันจะเป็นสิ่งที่ละเอียดก็ไปสิ่งที่ละเอียดคืออะไรความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์ความเฉยเฉย ภาวะเฉยๆที่มันมีอยู่ในใจเราคือภาวะปกตินะตรงนี้แหละมันเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้สังเกตนะส่วนใหญ่เนี่ยพอเราสุขเราก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆพอมันทุกเราก็อยากจะผลักมันออกไปเราไม่ชอบใจมันก็เลยไม่ปกตนะิใจของเราก็กวัดแข่งไปฟูฟูแฟบแฟบ เพราะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเคยสังเกตไหมว่าเราเหนื่อยกับอาการฟูฟูแฟบแฟบเนี่ยหรือบางทีมันเหนื่อยกับความคิดเนี่ยเยอะแยะเลยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องการคิดเรื่องงานคิดเรื่องอนาคตวิตกกังวลไปในอนาคตนะอะไรอาวรนกับอดีตนะบางทีก็เป็นเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นความรู้สึกผิดในอดีตมันยังฝังใจ มันยังไม่ปลดปล่อยไปมันยังอยู่ในใจเราอยู่ก็รู้สึกทุกข์ใจรู้สึกไม่สบายใจแล้วมันก็ฝังใจคิดขึ้นมาถึงเมื่อไหร่มันก็ไม่สบายใจทุกที ท, ทั้งที่เรื่องนี้มันผ่านไปตั้งนานแล้วเห็นไหมเราไม่ยอมให้มันผ่านคิดขึ้นมามันก็ทุกข์อีกตรงนี้เราจะเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิด ความคิดปรุงแต่งนี่แหละโดยเฉพาะความคิดความคิดมีสองอย่างหนึ่งความคิดที่ตั้งใจคิดความคิดที่ตั้งใจคิดคือความคิดที่เราตั้งใจทำการทำงานอันนี้ไม่มีปัญหาเราต้องใช้เป็นเครื่องมือพอใช้เสร็จเราก็วางแต่ความคิดที่มีปัญหามากๆคือความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดหลวงพ่อกาเขียนใช้คำว่าลักคิดบางทีท่านใช้คาแรงมากเลยนะ โสเพณีจิตโอ้โหคำนี้แรงมากเลยนะคือมันสับสนนะมันคิดไปเลือยตัวไรอะคิดแล้วคิดอีกขนาดจะนอนหลับมันก็ยังไม่ยอมปล่อยวางคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปวดหัวเลยวันหนึ่งวันหนึ่งสังเกตไหมความคิดอันที่หนึ่งคือตั้งใจคิดกับความคิดอันที่สองไม่ตั้งใจคิดเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสังเกตดูแล้วที่มันเพลียมันเหนื่อยมันอ่อนเนี่ย มันไอความคิดตัวไหนกันแน่ใช่ไหมความคิดตัวไหนกันแน่ความคิดตัวที่สองนี่แหละที่มันทำให้พลังงานในสมองของเราหรือพลังพลังของเราเนี่ยมันหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนเลยแต่มันวิ่งอยู่ในหัวเนี่ยตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่คิดเก่งฟุ้งซ่านอยากจะให้มันไม่คิดนะตรงนี้ก็เลย ไม่รู้จักเครื่องมืออย่างไงมาที่นี่เนี่ยเราจะได้เครื่องมือตัวนี้เครื่องมือที่จะให้รู้เท่าทันความคิดธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างมามีมืดก็มีสว่างมีร้อนก็มีเย็นมีคิดก็มีไม่คิดไม่คิดคืออะไรคือรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดโดยเพราะคิดจบคิดจิกคิดไม่จบไม่สิน้น ความคิดตัวนี้หรือแม้แต่อารมณ์ความโกรธเวลาเราโกรธวูบขึ้นมาเนี่ยมันร้อนวูบขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่โกรธตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็จะยุบมันก็จะหายไปตัวที่มันจะช่วยคือความรู้สึกตัวมันจะไปช่วยคลี่คลายสังเกตดิหรือบางทีเราตกมาโอ๊ยโกรธไปแล้วเรารู้สึกตัวเรากลับมาแล้วนั่นแนหะความรู้สึกตัวมันตัวที่ปรับเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยจริงเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการที่จะช่วยปรับสมดุลของกายของใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้เราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเพราะนั้นมาที่นี่เนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องนี้และด้วยวิธีการเคลื่อนไหวไม่นั่งนิ่งๆไม่นั่งหลับตาไม่ต้องใช้คำบริกรรมรู้สึกตรงๆกับการเคลื่อนไหวรู้สึกตรงๆกับการกระพริบตาคือนน้าลาย แต่แรกๆใช้ในบทหยาบหยาบนี่ก่อนก็คือการเคลื่อนไหวเนี่ยหรือ ก, การเดินจงกรมเนี่ยมันจะชัดเหมือนนักยิงธนูเนี่ยเวลาเขายิงธนูถ้าเป้ามันเล็กเนี่ยโอกาสที่จะถูกตรงกลางเนี่ยยากมากแต่ถ้าเป้าใหญ่เนี่ยถูกตรงกลางได้ง่ายเหมือนกันเราฝึกสติเนี่ยเราอาศัยกายหยับหยาบเคลื่อนไหวเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่กว่าลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยมันเบามันอ่อนแล้วบางทีมันจะ มันจะทําให้ความรู้สึกตัวเราไม่เคยชัดแต่ความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันชัดมันเป้ามันใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราอาศัยการเคลื่อนไหวจะเป็นยกมือก็ดีเดินจงกลมก็ดีเนี่ยมันจะชัดใหม่ๆนะมันไม่รู้สึกตลอดหรอกเดี๋ยวมันรู้บ้างเดี๋ยวมันเผลอบ้างแต่เผลอไม่เป็นไรเผลอไปกลับมารู้สึกตัวเผลอไปกลับมารู้สึกตัวทําอย่างเงี้ยบ่อยๆ ทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเกิดเป็นนิสัยก็เรียกว่านิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนเรามีนิสัยที่จะหลงไม่กับความคิดหลงไปกับอารมณ์ต่อไปนี้เราให้ใจมีสติอยู่กับกายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพอกลับมาได้บ่อยๆตรงนี้เนี่ยใจมันก็จะไม่ลอยไปใจมันก็จะไม่หลงไปในอารมณ์ใจมันก็จะไม่จมไปในความคิดต่างๆ มันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ขณะนี้เรื่อยๆตรงนี้หนละมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นปกติเมื่อใจเป็นปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเราเหมือนกับเรา ไ, ได้พักค่อนเลยเต็มที่เลยแล้วเวลานอนเนี่ยมันก็จะหลับลึกคนที่นอนไม่เคยหลับมีปัญหานอนไม่เคยหลับเอาตรงนี้ไปแก้ได้เลย แต่คืนนี้เนี่ยหลายค น, นยจะนอนไม่หลับพะแปลกที่ใช่ไหมถ้ามันนอนไม่หลับนะแนะนําเลยนะลุกขึ้นมานั่งสร้างจังหวะเลยเดี๋ยวมันม่วงนอนหลับทันทีเอาหมอนวางดีๆนะนั่งสร้างจังหวะแล้วนอนเท้งเต้งไปเลยนะเนี่ยก็คือเราพยายามที่ให้ใจเนี่ยมันออกจากความคิดซะให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวเพราะกายเนี่ย มันซื่อตรงมันตรงไปตรงมามันไม่ยอกย้อนไม่เหมือนความคิดความคิดมันยอกย้อนมันมีรูปแบบมากมายแต่กายเนี่ยมันซื่อๆตรงๆมันปวดมันก็บอกปวดมันเมื่อยมันก็บอกเมื่อยมันร้อนมันก็บอกร้อนเพราะนั้นเราใจมาอยู่กับกายเนี่ยมันเลยง่ายในการที่เราจะรู้สึกตัวและไม่หลงไม่กับความคิดเพราะนั้นจากกายเห็นกาย ก็ไปเห็นเวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจนะไปเห็นจิตที่มันคิดนึกนะทำไปทำไปมันมีอาการง่วงเข้ามาบ้างนะเขาเรียกว่าเป็นนิวรนภาษาบาลีเขาเรียกนิวร์คือเครื่องกาัางการเป็นอกุศลธรรมหรือบางทีทำไปทำไปโล่งโปร่งเบาสบายนะเย็นสบายเลยสงบเลยนะเป็นกุศลธรรม เนี่ยเป็นเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยเขาจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4มีกายเวทนาจิตธรรมแต่ไอเวทนาจิตธรรมเราอย่าเพิ่งไปสนใจนะเอากายก่อนเอากายให้ชัดๆก่อนถ้ากายชัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาไปรู้สามตัวนั้นอีกทีหนึง่งเพราะไอสามตัวนั้นเป็นเรื่องละเอียดเอาของหยาบหยาบก่อนใหม่ๆเนี่ยเล่นกายให้ใจมีสติอยู่กับกายบ่อยๆนะ เลอไปบ้างไม่เป็นไรกลับมาใหม่เผลอบ้งกลับมาใหม่กลับมารู้สึกตัวใหม่ๆมาอยู่ที่นี่นะนะอย่าพยายามนิ่งนั่งนิ่งนิ่งนะอย่างสมมติเราไปสาราน้าเนี่ยขณะนั่งรอจะไปตักอาหารเนี่ยเราก็นั่งยกมือเลยพยายามอย่าคุยกันเพราะการคุยกันเนี่ยมันทําให้เราเผลอไปละเพลินไปละมันจะไม่รู้สึกตัวแล้วก่อนพูดมันต้องคิดเพราะฉะนั้นมันจะเพลิน เพราะนั้นมาที่นี่เนี่ยพยายามพูดให้น้อยหรือไม่พูดเลยได้จะดีนะมันจะได้ผลดีนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำสาหรับคนที่มาที่นี่โดยเฉพาะคนที่มาเป็นกลุ่มเนี่ยให้โอกาสกับตัวเองและเพื่อนโดยการพูดกันให้น้อยๆหน่อยหรือไม่ต้องพูดเลยได้จะดีมากตรงนี้เนี่ยให้โอกาสกับตัวเองเพราะว่าเราอยู่ในที่ทางานเราก็คุยกันเยอะแยะแล้วนะถ้าเรา มัวพูดมัวคุยเนี่ยนะสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะเกิดผลช้าเหมือนกับมีตุ่มน้ำเนี่ยเราน้ำทีละหยดมาลงในตุ่มเนี่ยจนมันเต็มทีนี้ตุ่มมันรั่วมันก็ไม่เต็มสักทีเหมือนใจเราเนี่ยเราพยายามเติมสติเข้าไปอยู่เรื่อยๆพอเติมไปเรื่อยๆพอเราไปคุยกันเนี่ยมันรั่วเลย บางทีเราฝึกจเจริญสติมาสามชั่วโมงพอเสียงมงหมดเวลาเฮดีใจสติหายไปแล้วรีก็ห่างากันสามชั่วโมงนั้นคุณเรียบร้อยไปเลยเหมือนกับเอาสตังไปใส่กระปุกอมสินเนี่ยมันเหมือนกระปุกอมสินแตกเลยสติก็เหมือนกันไอ้นี่เป็นของละเอียดนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะเพราะนั้นเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บวาจาดีๆนะ ตรงนี้เนี่ยอาจจะอึดอัดหน่อยในช่วงแรกนะวันสองวันแรกวันที่สามวันที่4ี่จะปรับตัวได้นะอึดอัดหน่อยเพราะว่าเรามาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็การขึ้นที่สูงเนี่ยการปีนเขาเนี่ยมันจะเหนื่อยการที่เรามาฝึกเนี่ยเราก็พยายามจะยกจิตของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นจากความเคยชินเก่า จากอารมณ์เก่าๆที่มันพาให้เราหลงไปเพราะนั้นมันเหนืยหน่อยมันเสียทานหน่อยสองสามวันแรกจะเป็นวันที่เราจะปรับตัวนะแล้วมันก็จะเจออารมณ์ต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยให้เราใช้ความอดทนยังไม่มีสติพอใช้ขันติไปก่อนใช้อดทนไปก่อนนะยังไม่มีสติใช้ขันติ ว่าที่จะมาหาเราอยู่บ่อยๆนะคือความง่วงไม่ว่าคุณฝึกวิธีไหนก็ตามมันง่วงทั้งนั้นจะนั่งหลับตาหรือจะหลับตาเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้แล้วบางคนง่วงแบบไม่เคยง่วงมาก่อนเลยโอ้โหมันจะง่วงอะไรขนาดนี้ง่วงที่สุดในโลกเลยขนาดเมื่อคืนนอนอิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูกันนะแต่ความง่วงนี่แหละมันจะเป็นตัวเป็น เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เราตื่นที่สุดของความง่วงคือความตื่นเพราะฉะนั้นมันจะมาเสนอหน้าก่อนที่เราจะตื่นมันจะง่วงกว่อนมันจะมาเสนอหน้าอย่างเงี้ยง่วงง่วงวงง่ว ง, ง, วงถ้าเรายอมมันก็ง่วงกันต่อไปแต่ถ้าเราไม่ยอมเดี๋ยวมันตื่นใช่ไหมนะตื่นตื่นเดี๋ยวมันง่วงอีกเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาอยู่เงี้ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอย่าอย่าอย่าไปยอมแพ้นะให้ใช้ความอมดทน นะใช้ความพยายามถ้านั่งยกมือช้าๆมันง่วงก็ทำให้เร็วขึ้นหรือมันยกมือแล้วมันก็ไม่ไหวลุกเดินนะเดินจงกรมก็ไดน้นี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะแก้ความง่วงไดนะ้ความง่วงความฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็จะเจอเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมาฝึกกรรมาฐานที่ว่าเออมัน น่าจะส ง, งบเนาะมันไม่น่าจะคิดอะไรเนาะมันไม่น่าจะฟุ้งซ่านโอ้โหจมาทำมันทำไมฟุ้งยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านการฟุ้งนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เรารู้ตัวหลวงพระเียนบอกยิ่งคิดยิ่งรู้เพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามมันนะมันคิดไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวนะแต่ก่อนนี้มันคิดแล้วเราก็ตามมันใช่ไห ตอนน้มันคิดเราไม่ตามเรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวไงก็นี่ไงมาสนใจกับการเคลื่อนการไหวตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญเราก็แก้พอเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวความคิดมันจะอ่อนตัวไปเองความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมานะความง่วงความฟุ้งซ่านนะความเบื่อโอ้โทซ้ําๆซักๆบยกลวยกอีกเดินแล้วเดินอีกน่าเบื่อจริงๆอันเนี้ย มันจะมากันนะไม่ให้เราเนี่ยทำต่อไปเพราะนั้นความเบื่อก็จะมาหรือบางทีเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้เพราะนั้นนี่คือเป็นบางคนบอกเป็นอุปสรรคที่จะมาทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกตัวได้จริงๆอันเนี้ยเป็นเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องผ่าน หลวพอมเขียมนั่นเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านไปฝึกปใ ห, ใ ห, ใหม่ก็เจอไอ้ความง่วงเนี่ยตอนนั่งอยู่ธรรมดามันก็ไม่ง่วงอะนะแต่พอมายกมือทีละอ่มันจะง่วงทุกทีเลยมันจะไม่ให้เราทําอ่ะไอ้ความง่วงมันจะไม่ให้เราทําอ่ะนะทาําไงก็ต้องฝืนมันฝืนมันฝืนไม่ยอมแพ้นะสองวันสามวันเดี๋ยวเราจะรู้เลยความง่วงเนี่ยมันจะอ่อนตัวลงมันจะตื่นขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะ อันนี้เล่าให้ฟังให้เฉยนี่คือสิ่งที่เราจะเจออย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดให้เราให้เราประสบด้วยตัวเราเองนี่เป็นทางที่มันจะผ่านไปนะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ปราะนั้นใน5้าวันสาวัน7วันนี้เนี่ยนะเราจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ของตัวเราเองนะเดี๋ยวมันจะเห็นเลยนะมีอะไรทั้งหลายที่มัน สะสมอยู่ในตัวเราจะผุดขึ้นมาเลยแรกๆมันจะเป็นอารมณ์ไม่ค่อยดีก่อนความผิดความไม่ดีทั้งหลายมันจะผุดขึ้นมามันเหมือนกับเราไปเจาะขุดน้ำบาดาลนนะ่น้ำแรกเนะี่ยมันจะเป็นน้ำโคลนมันจะผุดขึ้นมาแล้วพอเราขุดแล้วตักทิ้งตักทิ้งไปสุดท้ายมันจะเป็นน้ำใสอันนี้ก็เหมือนกันเราไปขุดลงไปในใจเราด้วยความรู้สึกตัว นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะเพราะฉะนั้นโดยสาระสําคัญเลยเนาะการที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเรามาฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวด้วยการปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นให้มันพร้อมที่จะใช้งานเป็นการเปิดตาในขึ้นมาเคยเห็น <c oughs> คนเขาชอบไปไปพิธีเบิกเนตร เขาพุทธลูปอ่ะไอเ น, นี้ยเราเบิกเมตรพุทธะเลยนะในตัวเราอ่ะตาพุทธะคือความรู้สึกตัวที่ตื่นขึ้นเลยไม่ต้องไปร่วม ง, งานตรงนั้นเนี่ยตื่นจริ ง, รงเป็นพุทธะจริงๆนะซึ่งสามารถจะทำได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเพียงแต่ว่าเราทำลงไปจริงจริงแล้วก็ตั้งใจทำเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะ ใหม่ๆเนี่ยอย่าไปเคร่งเครียดมากทำเรื่อยๆทำเล่นๆทำเรื่อยๆถ้ามันเครียดก็ผ่อนคลายบรรเทาหาทางที่จะปรับสมดุลแต่ใหม่ๆทุกคนเนี่ยไม่เป็นงี้เราจะมาก็เป็นอย่างเงี้ยมันตั้งใจอะถ้าคนตั้งใจเนี่ยมันจะเครียดไปก่อนไม่เป็นไรนะแรกๆเครียดก็ค่อยปรับนะ ปรับเดี๋ยวมันจะผ่อนคลายเองมันจะเกิดการสมดุลเองซึ่งตรงนี้ไม่มีใครบอกได้เพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตปรับกายปรับใจของเราให้ดีนะทำคลายๆทำเล่นๆทำเรื่อยๆให้รู้สึกตัวรู้บ้างเผลอบ้างเผลอแล้วกลับมารู้ให้บ่อยๆตรงนี้จุดสำคัญเนาะแรกๆให้รู้สึกที่กายให้ได้บ่อยๆก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะ อย่าไปตามความคิดอย่าพิ่งไปดูความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันมีอะไรนะมันมีน้ําหนักมากมันจะดึงเราไปสติถ้าเรายังไม่ทันเนี่ยมันดึงไปทันทีเลยอารมณ์ก็เหมือนกันให้เราทำที่กายก่อนทําตรงเนี้ยบ่อยๆสติถ้าสติมันวัยขึ้นมันชัดขึ้นความคิดมันจะอ่อนกําลังแล้วมันจะไปเห็นความคิดเองไปเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ พอใจไม่พอใจเองมันเป็นเองเลยเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราทำที่กายให้ชัดๆบ่อยๆเพราะนั้นสามวันห้าวันเจ็ดวันนี้นะเรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะเพื่อให้เข้าใจความจริงแล้วให้ตัวสติเข้าไปปรับสมดุล น, นะกายใจของเรามันจะเกิดการผ่อนคลายไปโดยอัตโนมัติเรามาที่นี่เรามาพักผ่อนกันเนาะ เราไม่ได้มาห่วยงานก็ส่งมาเพื่อที่จะให้เรามีคุณธรรมให้มีจริยธรรมอะไรอันนั้นยังไม่ต้องพูดถึงนะถ้ามีสติเนี่ยเดี๋ยวคุณธรรมมันเกิดขึ้นเองเนาะแล้วก็ขอให้ใช้เวลาที่นี่เนี่ยกับเรื่องนี้เต็นที่เรื่องอื่นวางไว้ก่อนนะเรื่องอื่นนี่ยังไม่ค่อยสาคัญเรื่องนี้สําคัญที่สุดมาวัดป่าสุกโตทำเรื่องนี้ก็คือ การเจริญสติกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกกายเคลื่อนไหวจะเห็นใจที่คิดนึกนะซึ่งอันนี้เป็นคําที่หลวงพ่อเทียนนั้นใช้อยู่เราก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่มาในครั้งนี้นะที่มาใช้ประโยชน์ของวัดป่าสุกโตแล้วก็ในช่วงเวลาที่ใช้อยู่ที่มีอยู่ก็ขอให้เป็นไปในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแล้วก็ขอให้ ความตั้งใจความเพียรพยายามการปฏิบัติของพวกเรานะให้เกิดผลสําลิดนะก็คือให้ใจมีสติอยู่กับกายได้สัมผัสกับความสุขที่ประนีตนะ ค, คือใจที่เป็นปกติที่มีอยู่แล้วนะในตัวเราทุกคนนะเพื่อที่จะให้เราได้พบกับสันติสุขที่เกิดขึ้นภายในใจนะแล้วก็ได้เผื่อแผ่สันติสุขในใจนี้ ไปสู่คนรอบข้างนะแล้วก็ให้มีพลังในการที่จะไปทำการทำงานในการที่จะไปเผชิญโลกต่อไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านเจริญพร